สปัทมสังคิตะสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์ 5. ปัญญทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล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 เป็นพระโสดาบันผู้มีธรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นหกเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้มีธรมานุสารีนั้นภิกษุททั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคล ย่อมมีความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้ทุติยสังคิตสูตรที่สามจบ 4. ตติยสังคิตะสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรียโดยย่อสูตรที่สา8 4ภิกษุทั้งหลายอินทรียห้าประการนี้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 ตาติยาสังคิตาสูตรที่4จบ